ได้แนะนําสั่งสอนพวกเราต่างกลัมต่างวาระเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วถ้าว่าปล่อยปะละเลยไม่สนใจหลวงพ่อว่าก็คงจะไม่ถูกต้องนะควรจะใส่ใจควรจะฟังแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติฟังด้วยเหตุด้วยผลศึกษาด้วยเหตุด้วยผล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 น, นิมนต์มาพระท่านก็มาพอมาเนี่ยขโยมก็เห็นพระมาก็เออเอานิมนต์พักคุณท่านสวดให้ให้ให้ข้าไปเจ้าฟังหน่อยสิขยิ้ว่าเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงทางด้านจิตใจนะถ้าไม่ได้มุ่งหวังอะไรใขยิ้าบอกพระเห็นพระสวดขึ้นมาแล้วกับท่านก็นึกตามไปใจของท่านก่มีเป็นกุศลว่างั้นเถอะน่ยแต่นี้ท่านกับพระสงฆ์ก็สวด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 รอรับแั้นพอเสร็จแล้วท่านก็นโยนพวงมลาลัยขึ้นไปเออพวงมลาลัยนี้ขอให้ไปคล้องอยู่งอนรถของชั้น อ, อชั้นดุษฎีที่มารับข้าพเจา้าที่มารับออพอโยนขึ้นไปพวงมลาลัยก็ลอยละล่องขึ้นไปก็ไปห้อยออไปคล้องอยู่งอนรถของออชั้นดุษิีที่มามารอรับเ อ, อ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 ก่อนที่พวกเราจะถึงจุดจบนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สร้างบา ร, รมีเอาไว้อย่าไปคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขาทําให้เราเนี่ยบางทีอาจจะคาดเคลื่อน <sh arp ina> บางทีอาจจะไม่ถูกต้อง <sh arp ina> บางทีมันอาจจะไม่เป็นบุญ <sh arp ina> เป็นกุศลทั้งที่พวกเราเอาเอเมื่อเราตายไปแล้วให้ทําบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนิมนต์พระอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนห่นิมนต์ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้นะ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 เพราะนั้นหลวงตาท่านมหาบัวท่านบอกว่าข้าทําเอาแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งนี้ที่มันดีข้าทเอาแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องทําให้เราอีกนะเวลาเราตายก็ไม่ต้องสวดมรติกาให้เราอีกเพราะพวกที่สวดๆนะั่นอะมองๆดูแล้วมันพวกแต่พวกโง่งๆลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะนาคาพูดของท่านมาพูดได้ แต่ตามไม่จริงแนวความทิศหลวงตาเป็นอย่างนั้น เ, เพราะนั้นคำแปลและความหมายของอภิธรรมอย่างที่พวงหลวงพ่อได้อธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังนี่แหละแอถ่าว่ามีความสงสัยก็ไปถามท่านผู้รู้อีกว่ายังได้นะที่หลวงพ่อพูดเนี่ย เ, เป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเอานอกประเด็นสักหน่อยทีนี้นอกประเด็นก็คือว่ามี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 พระองค์นั้นก็บอกอ้าวเล่านี่เองจอะเป็นคนทําให้มีอะไรมันก็ไม่พูดอะไรโพรธิสุขกเ็เลยได้ทําบุญให้เอาถังสังฆทานมาแล้วทําบุญพอทําบุญแล้วก็กวดน้ําบททิศ ส, ส่วนกุศลให้ก็เนี่ยสวดกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัปยากตาธรรมะเนี่ยก็เหตุปัจยโยอนิจาวัติสังขลาจากนั้นก็ให้พรพอให้พรเสร็จแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ถวายจตุปัจเจยพระสงฆ์ไป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 อแต่ว่าโอ้ยผูกขาไม่มีลงพอไม่มีก็ไม่เป็นไรรักษาศีลก็ได้อแต่ว่าถึงยังไงทั้งสามอย่างมันเป็นสามขาอย่างถ้าคนไม่ทําบุญทําทานเกิดมาพบนาชนาตินาอันนี้สงทานไม่มีการทํามาคฆาขายการทํามาหาเลี้ยงชีพก็ยากจนนะเพราะอั น, นิี้สงทานไม่มีแต่ถ้าว่าเรามีอั น, นิี้สงทานตามมีตามเกิดนิดๆหน่อยๆก็ควรจะ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 าเราไม่มีอั น, นิส้สงทานเราไม่เคยทำบุญทำทานไปที่ไหนก่อนเนี่นะต้องปักกัดตีนถีบหมันขยันจะกขอนจึงได้อยู่ได้กินเพราะอั น, นิส้สงทานไม่มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจัว่าทานก็จําเป็นนะ้ะควรจะเสียสละให้ยใหุให้รู้อัตภาพของตนเองเรามีอยู่มีกินพอประมาณแล้วก็ทำบุญทำทานไปบ้างไม่ใช่ว่า